หรือตอนไหนที่เราลำบากทุกข์มากเดือดร้อนมากป่วยเลยนึกถึงอริยสรรัจเลยใช่ไห้ยิ่งไม่นึกเลยนะอาจจะห่างอริยสรรัจเลยนะไม่คําสอนว่าด้วยอริยสรรัจไมนรู้จะฟังหรือเปล่าไม่ทราบตอนนั้นแต่คุณอะไรฟังนะท่านป่วยก็ยังดีอยู่นะบางคนที่ป่วยบอกขอเลิกรับหมดนะหนังสือประไตานีดกอะไรก็ไม่อ่านสักอย่างอ้างป่วยได้อสบายเลยก็อวิชาปกปิดได้สนิทเลยอย่างนี้แต่ว่า อวิชชาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ยอมให้ให้รู้อริยสัจเพื่อจะออกจากทุกข์เลยนะอย่างกิจกรรมที่เรามาเจริญนี่ล่ะบอกอันนี้วิชาเป็นปัจจัยเราความรู้เพราะสติปัญญาเป็นปัจจัยถ้าลำพังอวิชชานํานะผมไม่รู้พาไปไหนก็ไม่รู้นัะพาไปแบบที่เคยไปอ่ะคําว่าเคยไปนี่ไปไหนไปเที่ยวเป็นก้นนั่นแหละ อวิชานะไม่พาไปไหว้พระเจดียด์หรอกเชื่ออะธรรมชาติใดย่อมเล่นไปในบัญญัติทั้งหลายมีหญิงและบุรุษเป็นต้นอันไม่มีอยู่โดยปรมาติไม่เล่นไปในวิชามานะบัญญัติมีขันอายตนะธาตุเป็นต้นนะนะธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิชาก็สมมุติเนี่ยเห็นใครปั๊บสวัสดีเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องยาวเลย ไม่ค่อยตาเราบกเออนี่ขันนะนี่ธาตุนี้อายตนะนี้มหาพูทไม่ค่อยคิดอย่างนี้เลยเนาะแม้แต่คําว่าขันธาตุอายตนะมหาพูทยังคิดถึงน้อยเลยเห็นะอวิชชาเนี่ยมันปกปิดได้นั้นมากขนาดนั้นใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะมหาพูท ด, ดูดูนะออกจากห้องไปแล้วเนี่ยจะเห็นมหาพูทเต็มถนนไปหมดหรือเปล่าไม่ทราบคิดว่าจะเห็นมหาพูทเต็มถนนกลับจนถึงบ้านเลยไหมของใครเป็นไปได้ขนาดนั้นบ้างยกมือให้ดูหน่อย กักเจริญพิจารณาว่ามหาพูตั้งอันนี้จนถึงบ้านเลยแหละตั้งใจที่จะพิจารณาเนี่ยนะมีเยอะไมบุญสุรัตน์ได้องมั้งนะไม่ได้อันนี้ต้องสมาทานขึ้นก่อนนะมันถ้าไม่คิดน้อมไปเพื่อพิจารณาไม่มีหรอกไปเห็นแล้วค่อยเออสวัสดีมหาพูนนี่มนะีก็ต้องตั้งใจว่าเนี่ยเออเนี่ยออกจากนี้ไปเราจะพยายามมานาศสิการโดยความเป็นมหาพูดเข้าไว้มันต้องตั้งอย่างแบบนี้เนี่ยนะ ต้องตั้งแบบนี้สิมันจึงจะพอมีเขาบ้างแต่ถ้าไม่ตั้งเลยนะไปไปอีกกี่รอบมาอีกกี่รอบก็ไม่เห็นออกมาหาพูดนะเพราะไม่น้อมไปเพื่อมนัสิการหรือไปมน้อมไปเพื่อมนัสิการขันก็เหมือนกันนะต้องตั้งอัธยาศัยน้อมไปเพื่อมนสิการเนี่ยนะอย่างไปเที่ยวบอกมหาพูดจะไปแล้วนะอนะคือคือเบื้องลึกๆจริงๆให้คิดอย่างนั้นนะแต่โวหารก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดใช่ไหม นนไม่ไม่จําเป็นต้องทำวินยัติให้คนอื่นรู้อะไรแต่พยายามน้อมไปเพื่อจะนึกน้อมไปเพื่อจะมนานักสิการโดยความเป็นขันเป็นต้นดังกล่าวไปแล้วควรที่จะคิดนะหรือเห็นวัตถุใดวัตถุหนึ่งปราลบวัตถุใดวัตถุหนึ่งวัตถุนั้นเนี่ยทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบนันนะอย่างน้อยก็เอามาคิดสามอย่างก่อนใช่ไหมค <c oughs> ือคิดถึงเพื่อนหรือที่เรียกว่าเพื่อนหรือเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็าตามเถอะเ <c oughs> พื่อนคนนั้นอ่ะทั้งที่เรียกว่าขัน ขันอันนั้นแหละทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันนีนะก็อย่างน้อยที่สุดให้มันได้อย่างนี้บ้างก็ยังดีนะเบื้องหลังของรูปประคันก็มหาพูทเบื้องหลังของเวทนาขันก็ภาษานะนะภาษะเวสัญญาขันสังขารขันก็ภาษาวิญญาณขันก็นามรูปก็น้อมไปเพื่อจะคิดน้อมไปเพื่อจะตรึกแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้า อ, อันนี้อาวิชาจริงจะไม่ปกปิดถ้าไม่อย่างนั้นอาวิชาก็ปกปิด สังเกตดูนะว่าการคิดเป็นบัญญัติเนี่ยท่านไม่ได้ห้ามเลยใช่ไหมจากในหน้ า, นนาเนี่ยหน้าสองร้อยสี่สิบแปดเนี่ยไม่เล่นไปในวิชามานะบัญญัติมีขันเป็นต้นทั้าะการเจริญวิปัสสนาก็เป็นไปกับบัญญัติแต่เป็นวิชามานะบัญญัติเป็นบัญญัติที่มีอยู่จริงนะไม่ใช่บัญญัติที่ไม่มีอยู่จริงกนะ็บัญญัติว่าขันทาริยตนะบัญญัติว่าเป็นกุศลอกุศลพวกนี้เป็นบัญญัติที่มีอยู่ จริงบัญญัติตามเป็นจริงที่เราควรไปไปพิจารณาตามไปน้อมตรึกตามถ้าเดิมตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่บรรลุนะออามาไม่รู้ว่าจะเดินตามใครบรรลุได้โลกนี้นะโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารและโลกคิดตามพระพุทธเจ้าแล้วไม่พ้นทุกเนี่ยนะไม่รู้คิดตามใครจะพ้นทุกนั้นถ้าเราลองเดินตามพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเถงนั้นไม่บรรลุแล้วขว่ า, ายพิงเ <c oughs> พราะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสิทธ ได้เดินตามพระพุทธเจ้ากันแค่ชาตินี้แหละเชียวชาติหน้าต่อไปมาเกิดที่ไหนออกเกิดประเทศไทยแล้วไปเกิดได้อยู่ตรงไหนเห็นไหมเกิดไปนะบุญเก่ามันให้ผลเกิดมีสติปัญญาเก่งมากเลยนะจบสิบแปดสาขาเนี่ยเขาไปให้เป็นนักวิชาการอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะนะถ้าเก่งมากเลยบางทีนั่นเขาส่งไปอยู่นอกอาวากาศเลยคนนี้เลยอดนับถือพระพุทธเจ้าเลยท่านก็ พยายามเดินตามพระพุทธเจ้าไว้เถอะเพราะโอกาสได้เดินตามในะชาติหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงไอ้เป็นยังไงนี่หมายความว่าคติห้านี่ไม่รู้อยู่คติตรงไหนถึงมาเป็นมนุษย์เนี่ยเชื่อคิดหรือว่าจะได้ศึกษาต่อไปพอมามาม า, มาคิดๆ ด, ด, ดูนะว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าหรือสามสิบปีข้างหน้าเข้าใจว่าเขาจะผลิตพระไตรปิฎกเป็นหนังสือหรือไม่เนีย่ยนะแนวโน้มเป็นไปได้ไหมหรือปั๊มมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นมากกว่า ถามว่าเป็นแผ่นกับเป็นหนังสืออันไหนอ่านยากกว่ากันเป็นแผ่นอ่านยากกว่าในในคอมพิวเตอร์เนี่ยในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่อ่านง่ายนะอ่านยากกว่าเป็นเป็นหนังสือเยอะมากรวมๆไปแล้วอนะแล้วถ้าอ่านแล้วถ้าจําไม่แม่นนะัมันไม่ใช่พลิกทีละห้าน้าดูพร้อมกันได้นะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ต้องดูหน้านะแล้วต้องจำไอ้ข้างหน้าข้างหลังมันต้องจําแม่นเลยอะ่ะ คือคือดูยากจํายากกว่าในในเนี่ยอย่างนี้ยังจะคลิกดูเดี๋ยวห น, นหน้านี้หน้านี้สลับไปสลับมาเนะถ้าเป็นคอมแม็คลิกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตา ล, ลายหมดแล้วเนี่ยนะในโรคกระเพาะจะกาเริบต่ออีกนยะแล้วก็ใช้แสงด้วยไฟดับอีกก็หมดอีกคอมมันก็เสียบ่อยถ้าไม่ได้เรียนสายนี้มาก็เข้าอู่ประจำอ๋อเดี๋ยวก็ลําบากยกไปซ่อมไปซ่อมมาออมาเนี่ยปวดหัวอยู่กับพวกนี้มานานแล้วตอนหลังกอะไรก็ เป็นาระจริงๆเนี่ยดูเอาแบบรุ่นปู่รุ่นย่านี่แหละดีสุดนะเปิด <c oughs> <c oughs> เครื่องยังไม่เป็นเลยนะของเราเนี่ยมันหมดสมัยแล้วนะ <c oughs> รนเรา่ราวจริงๆนะแพทย์จะรุ่นหมดสมัยกันแล้วนะเกาทํามาเยอกจริงๆนะที่ที่จะได้ศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นขอเดินตามขอศึกษาตามขออะไรตามเด้อ อย่างตอนนี้นะใครวิจารณ์เราว่าอู้ยทำไมเดินตามพระไรไิดกอะไรมากมายปานนั้นบอกอุ้ยสาธุทําไมเขาเราเนี่ดีเนี่ยแสดงว่าเราเข้าเขาแล้วล่ะเขาจึงมาชมเรานัเนี่ยว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเกือบทุกเรื่องแล้วหนึ่งัน่ะองนั้นก็แสดงว่าเราเกือบแล้วเกือบแล้วอย่างเงี้ยเกือบใกล้ชิดพระรัตนตรัยนะเพราะพระพุทธเจ้าเขามีวิอรหังแปลว่าอะไรไกลจากคนชั่วใกล้ต่อคนดีถ้าเราใกล้พระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราก็ดีแล้วลนะ่ะอยเงี่ย ก็บอกทําไมไม่เอาคัมภีรเลยนะนี่เอามาติตัวเองนี่ถ้าอย่างนี้เอ๊ะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะนี่ก็แสดงว่าเราเนี่ยน้ากรุณามากทําไมออกหางขนาดนั้นเนี่ยนีเพราะให้พยายามเล่นไปเถอะถ้าเล่นไปตามวิชามาณบัญญัติเนี่ยนะวิชามานะแปลว่ามีอยู่จริงวิชามาณบัญญัติก็คือบัญญัติที่มีอยู่ตามที่เป็นจริงเช่น ขันอาญตนะธาตุอันนี้ควรน้อะไปมนฑิการควรไปพิจารณาพิจารณาให้บ่อยให้มากยิ่งดีคิดตามคําสอนไปเถอะเนี่ย น, นะแต่ว่าไม่หรอกอวิชามันให้ไปคิดเรื่องอะไรเรื่องปกติแบบชาวโลกทั้งหลายคืออาณาจักรคิดแบบพระพุทธเจ้ามันอีกวิชาหนึ่งมันอีกโลกหนึ่งเลยนะออกไปในโลกเนี่ยถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าจะอีกเรื่องหนึ่งคิดตามคิดตามชาวโลกก็อีกเรื่องหนึ่งนะ นั้นเราขอเดินตามใครล่ะของเราก็บอกว่าเดี๋ยวสุดโต่งเกินไปนะทางโลกครึ่งหนึง่ทงทางธรรมครึ่งนึงเนี้ยนะเอาทําโดยส่วนเดียวก็เดือดร้อนอีกเอาโลกโดยส่วนเดียวก็ไม่ไหวอีกนะก็แบ่งเวลาให้เป็นก็นแล้วกันให้ธรรมะวันละกี่ชั่วโมงดีกวันละครึ่งชั่วโมงเนี้ยนะทางโลกยี่สิบสามชั่วโมงครึ่งอนี้มากไปมั้งเนาะเอาให้มันเนี่ยนะธรรมะวันละห้าชั่วโมงเงี้ยนะ แล้วก็ไม่ใช่ทําอีกยี่อีกสิบเก้าชั่วโมงเพราะนั่นก็ยังมากเองนะเอากี่ชั่วโมงดีก็แบ่งให้สมควรเอากันแล้วกันว่าแค่ไหนจึงจะพอดีเหียนนะมาคํานวณเอาให้พยายามคิดคิดตามคําสอนไปเถอะศึกษาธรรมะเมื่อไหร่นะที่เราจะมองเห็นอะไรเหมือนกับขันท่าอริยสัจนะเหมือนอ่านหนังสืออ่ะเมื่อไหร่จะอ่านเป็นแบบนั้นหนังสือนี่เราถามว่าลําบากสะกดไหม ภาษาไทยถ้าอ่านมาชำนาญเนี่ยทําไมเห็นปั๊บเนี่ยอ่านได้หมดเลยใช่ไหมเมื่อไหร่จะให้เราเห็นอารมณ์ปั๊บอ่านเป็นคําสอนหมดเลยคิดเป็นคําสอนอะไรคิดได้ตามคําสอนเลยคําสอนเนี้ว่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ไงนะมองเห็นเลยอะ่ะถ้าอย่างงี้ก็ได้ดีละแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้นะ่ก็ห่างพระพุทธเจ้าอีกมานของเรานี่ห่างทั้งกายห่างทั้งใจใช่ไหมห่างทางกายนี่ห่างยังไง โดยรูปรูปประกายนี้ก็กี่พันปีแล้วล่ะสองพันกว่าปีแล้วนามประกายนี่ใกล้กับใกล้กี่ปี <c oughs> ก็ดูที่ว่ามีสภาพจิตคิดตามคําสอนแค่ไหนก็คื อ, คอชาติปล่อยชีวิตสักชาติหนึ่งเธอขอเดินตามพระพุทธเจ้านะชาติที่เหลือแล้วเขว่าอีกทีเพราะว่ายังไงนะถ้าหมดพาศาสนานี้แล้วนะถึงเรามาเกิดยุคหน้าก็ไม่มีพาศาสนามไม่มีโอกาสเดินตามพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไปเดินตามบุคคลที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าต่อไป นั่นกว่าจะมีพระพุทธศาสนามีก็ไม่รู้ว่าจะสมัครเดินตามหรือเปล่าก็ไม่ทราบกันนะก็พยายามคิดตามวิชามานะบัญญัติเนี่ยนะอย่าไปกลัวเลยเรื่องบัญญัติเมื่อนี้คิดอย่างนี้มันบัญญัติทั้งนั้นเป็นเรื่องเป็นเราไม่ต้องกลัวหรอกปัญหามันไม่ค่อยคิดเรื่องนี้สินี่น่าหนักใจมากนะอย่างที่สมัยที่เคยเอาธรรมะมาคิดแรกๆนะบอกนี่มันคิดทั้งนั้นบอกปัญหามันผมไม่ได้กลัวเรื่องนั้นหรอก ผมกลัวว่าทําไมผมไม่คิดคําสอนสักทีหนึ่งะเนี่ย น, นี่คือเรื่องที่เรากลัวมากเลยทําไมเราอยู่กับคําสอนไดน้อยไปทําไมคิดได้น้อยไปเนี่ยวันหนึ่งตั้งยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยที่ดได้วันแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วอีกยี่สบชั่วโมงเอาไปทําอะไรแล้วบุญมันแค่สามสี่ชั่วโมงแล้วบาปอีกยี่สบชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่นจะออกจากวัฏตะได้อย่างนั้นเรามาคิดอย่างนี้เข้าก็ก็เลยบางบางทีนะเอาเครื่องที่เลขมาอันหนึ่งมากดคุยกับเพื่อน นี่นะถ้าเราเจริญกุศลได้วันละหนึ่งชั่วโมงนะชาติหนึ่งเราได้กี่ชั่วโมงก็กดดูนิดเดียวนะถ้าทำบาปวันละยี่สามชั่วโมงเนี่ยนะเป็นอกุศลวันละยีสิสามชั่วโมงคํานวณดูดิว่าตัวเลขมันขึ้นมาทําไมมันมากขนาดนั้นอแล้วควรจะเกิดที่ไหนดีเนี่ยถ้าเกิดแล้วทาบุญไว้เท่านี้เนี่ยบุญมันให้ผลมันควรจะอยู่กี่ปีอ่นะเมื่อคิดไปกินมามาอ่านธรรมานีวิวามองมองยังไงก็มีแต่ทางล่มจมเหมือนกัน มันก็คง ม, มีแต่เอาธรรมะดีที่สุดแล้วเหมือย่างอื่นไม่มีทางเลยอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวิชาเพราะปกปิดเสียซึ่งวัตถุและอารมณ์แห่งวิญญาณมีจกักขรวิญญาณเป็นต้นคือแม้กระทั่งความคิดในการเห็นเนี่ยอาศัยจกักรวิกับรูปเกิดจกักรวิญญาณแค่นี้เรายังไม่ตาลบเลยอ่ะมันปกปิดขนาดนั้นน่ะวิชาหูกับเสียง เป็นตัวให้เกิดโศตาวิญญาณพอได้ยินเสียงเรานึกอย่างนี้ไหมอาศัยหูกับเสียงนะโสที่ได้ยินเสียงนี่อาศัยหูกับเสียงะนะแม้กระทั่งติ้งตองติ้งตองประกาศข่าวอะไรสักอย่างมาเนี่ยอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาบวิญญาณเนี่ยนะน้อมไปคิดอย่างนี้อะมีไหมตอนอยู่ในห้องธรรมะคิดบ้างหรอกแต่ว่าอาที่อื่นๆยิงมอเตอร์ไซค์บิดแป้ขึ้นมาอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณเนี่ยนึกอย่างนี้ได้ก็แจ๋วแล้วล่ะ นะติดเครื่องรถปั๊บก็ร่นขึ้นมาก็อาศัยหูกับเสียงเกิดโสตาวิญญาณเลนะก็ฝึกไว้ให้คุ้นให้ชํานาญเลยลืมตามองเห็นนะอาศัยตากับสีเกิดจกักรวิญญาณนึกคิดก็อาศัยมโนกัตธรรมะเกิดมโนวิญญาณเนะี่ยไงก็จับอะไรปั๊บอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายญาตวิญญาณเอาอย่างเงี้ยหยับยาวไว้ก่อนก็ยังดีให้ใ ห, ให้น้อมไปตามคําสอนเอาไว้บ้างบ่อยบ่อยบ่บ่อยบ่ แค่เรว่าเอาหยาบหยาบขนาดนี้ให้ได้ก่อนเนีเดี๋ยวละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะค่อยสาวไปหาเรื่องตัดใจเรื่องอะไรถ้าชํานาญศึกษามาดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าน้อมเอาไปเจริญเอาไปคิดอย่างเนี้ยตามคําสอนในชีวิตที่ที่เป็นจริงแต่วิชามันปิดไม่ให้เห็นแมก้กระทั่งวัตถุและอารมณ์ของวิญญาณทั้งหกทวารเนี่ยนะแล้วที่หนักไปกว่านั้นอวิชานี่ปกปิดปกิกิจกรมสมบัติแล้ว ปฏิจจสมุปปณธรรมอย่าลืมว่าการลืมตาดูของเราแต่ละครั้งเนี่ยคือการสร้างตาเจ๊ะไหมนี่คือปฏิจจค่ะปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปณธรรมลืมตาปั๊บเนี่ยคือการสร้างตาหูได้ยินเสียงเนี่ยคือการสร้างหูเมื่อไรก็มีความรู้แบบนั้นสักทีเนาะก็แสดงว่าสาธยายายนิโรธสูตรมาไม่พอก็ต้องสาธทะยายจนกว่าจะพอลืมตาปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่มีตานั้นเนี่ยลืมตาเพื่อสร้างตาย ฟังเสียงเพื่อสร้างหูรู้กลิ่นเพื่อสร้างจมูกรู้รสเพื่อสร้างลิ้นรู้โภชภาพเพื่อสร้างกายคิดเมื่อไหร่เพื่อสร้างกาเนี่ยนะเมื่ อ, อไหรที่เห็นได้แบบนั้นก็โ อ, อริยสัตว์นี้ได้ทุกสัตว์กับสมุทัยสัตว์นี้เยี่ยมเลยนะถ้าคิดได้มากนะเรียกว่าแ ต, แตะต้นรู้ปลายเลยนะเลืมตาปับ๊บสร้ตาลืมตาหูปับ๊บสร้างหูพบใหม่นะอย่าลืมว่าผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยเขากลัวชากลัวเกิดเอ่กลัว ก็กลัวตายหรือกลัวเกิดกลัวเกิดนะนะอะไรอย่างงี้เข้าใจถูกมะถ้าศึกษาธรรมะเพราะกลัวตายเนี่ยยังไงก็ตายอยู่แล้วล่ะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแต่ว่าที่น่ากลัวกว่านั้นคือเกิดเพราะว่าเป็นต้นตอแห่งความตายนนะงั้นเราก็ศูนย์นะสิงั้นเราก็ศูนย์ใช่ไหมเราอยู่ตรงไหนเราก็ไม่มีแล้วเราจะศูนย์มาจากไหนใช่ไหมก็ แต่คิดไม่ดีแนละ้วคิดไปคิดมาเออเนี่ยนะถ้าไม่มีตาเฮ้ย เ, เราจะเห็นอีกหรือเนี่ยไม่มีหูเออเราก็หมดฟังเสียงเพรอๆด้วยเนี่ยที่ก็ว่ากันนะที่สวรรค์นี่มีหมอลำไหมก็บางนั้นก็ไม่มีอ่ะไม่ไปงั้นไม่เอาล <c oughs> <c oughs> ติดเสียงแขน